หรือยอมที่จะแลกทุกอย่างนะเพื่อให้มีอากาศหายใจพยายามที่ไม่มีอากาศนั่นแหละเราถึงไดเห็นความสำคัญของอากาศหรือตระหนักว่าแท้จริงแล้วอากาศนี่มันมีอยู่แต่เรามองข้ามไปธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะธรรมะทั้งหลายโดยเฉพาะสะติเนี่ย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 บางครั้งก็บอกได้ยากนะว่าใครมีสติแต่ถ้าใครไม่มีสตินี่ก็เห็นง่ายใครไม่มีสติเมื่อไหร่เราก็รู้เลยนะว่าอ๋อเพราะตอนนั้นเขากาลังคุ้มครั่งตอนนั้นเขากลังเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นกขากลังโกรธหรือว่ากลัวหวาดผวาอันนี้ก็ไม่ต่างจากอากาศนะเราต่อเมื่อไม่มีเราถึงจะเห็นความสำคัญ หรือถึงจะได้ตระหนักว่าอากาศนี้เนี่ยมันมันอยู่กับเรามาตลอดหลายสิ่งหลายอย่างเราจะเห็นความสำคัญก่อนเมื่อไม่มีมันแล้วหรือเราจะเห็นว่ามันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ไม่เคยตระหนักตอเมื่อมันหายไปถึงพอย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 อันนี้ก็จะเห็นได้นะชัดขึ้นสัพชัญญะคือเหมือนกันก็แปลว่าความรู้สึกตัวความรู้ตัวแต่ถ้าเราแปลใหมายว่าคือความไม่หลงสติคือไม่ลืมสัพชัญญะคือไม่หลงอันนี้ก็จะนึกภาพออกแล้วว่าโอ้ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยคืออะไร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 ยิ่งถ้ามีอะไรมากระทบด้วยแล้วนี่มันลืมใจได้ง่ายมากเลยอย่างที่เราเมื่อวา น, นที่เป็ุการ์ตอนหนึ่งของท่านไว้หลงังซึ่งเป็นเรื่องของพระที่กำลังตกเฉียงกันว่าธงไหวหรือลมมันไหวกันแน่เฉียงกันจะเป็นจะตาย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 แล้วก็เกิดอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดความเศร้าใจให้ความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าลืมใจนะพอให้ความทุกข์เข้ามาพอลืมใจแล้วก็ลืมกายกินก็ไม่รู้ว่ากินกําลังเคี้ยวอยู่ก็ไม่รู้ว่าเคี้ยวอยู่เมือนกับเราเดินจมกรมสร้างจังหวะ เราปล่อยใจลอยไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นเรียกว่าหลุดใจเราก็เลยไม่รู้สึกเลยว่ากําลังเดินอยู่กำลังยกมืออยู่แต่เมื่อไรทีเร่เรามีสตินะต้องกลับมารู้กายรู้ใจไม่ปล่อยให้ใจเตลิดเปิดเปิงไปรักษาใจไม่ให้ความทุกข์ความเศร้ามาครอบงําย่ายี จิตใจทำอะไรก็รู้เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเื่อนี้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็เพราะว่ามีสติเมื่อเผลอไปเราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กาลังสวดมนต์แล้วใจลอยหลยไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้าง เราลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่สติก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับการสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์โดยที่เข้าใจเข้าใจเนื้อหาแล้วก็รู้จังหวะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสนมนติโดยเพราะคนที่ท่องบทสวดสวนมนต์ได้คล่องเนี่ยใจมันจะลอยได้ง่าย ป่าก็สวดไปนะแต่ว่าใจนี้ลอยไปไหนไม่รู้เพราะว่าคนที่สวมดมนต์ได้คล่องแล้วนี่ต่างจากคนที่อ่านบทสวดสวนมนต์ใจเขาจะมีความจดจ่อมากกว่า ส, สติก็จะมาอยู่ได้อย่างต่อนเนื่องเพราะเผลอเมื่มอไหร่ก็สวดไม่รู้เรื่องสวดไม่ได้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 มันไม่เผลอไม่ลอยไม่ไหลไปไหนหรือถึงเผลอถึงลอยถึงไหลไปในอดีตจมหายก็ไปในอนาคตหรือในอารมณ์เลือกได้ขึ้นมาว่ากาลังทาอะไรอยู่ไอ้ตัวที่เราลึกได้นั่นคือสติไอ้ตัวที่กำกับใจไม่ให้ลืม <c oughs> น, นั่นก็คือสติ แล้วพอไม่ลืมนะมันก็ความไม่หลงก็ตามมาไม่หลงคือว่าทำอะไรได้ถูกต้องสวดเหมือนก็สวดได้ถูกนะถูกจังหวะไม่มีเผลอหรืออย่างเช่นตอนที่กล่าวนโมนะนโมตัสสะที่นี่จบสองจบแรกไม่แปรมาแปรจบที่สาม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 เราล้างชามเราทําครัวหั่นผักเราวางจานได้ถูกต้องถูกตําแหน่งเราหั่นผักได้ได้ถูกต้อ ง, ง, นะ อ, งอันนี้ก็เพราะใส่ความรู้ตัวแล้วที่รู้ตัวได้ก็เพราะว่ามีสตินะช่วยกํากัดจิตหรือช่วยทําให้ไม่หลุดกายไม่หลุดใจทําให้จิตนี้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว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 เขาไม่ซื่อตรงต่อเราใจลอยนี่ก็หลงแล้วรังจานก็วางไม่เป็นที่หรือว่าพาหันผักนะก็หันปีปีถุกๆทำงานทำการแม้กระทั่งขับรถก็อาจจะเลี้ยวผิดซอยหรือผ่านเลยไป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 ตอนนั้นก็ลืมไปแล้วคิดใจจะปาดเอาคืนอย่างเดียวปาเสร็จหนึ่งค่อนมารู้ว่าออกนี่เราเลยบ้านเราไปเยอะแล้วอันนี้เรียกว่าทั้งลืมทั้งหลงเพราะไม่มีสติตอนที่เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจตอนนั้นมันลืมใจไปนะพอลืมใจลืมกายก็ลืมบ้านลืม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 นึกภาพก็แล้วันว่าจะเป็นอย่างไรอันเด็กก็ตายตายเพราะถูกดดดเผาตายเพราะขาดน้ําแล้วคนเป็แม่ก็เสียใจมากอ้ น, นี้เป็นอุทาหรณ์นะคนเราถ้าหากว่าลืมตัวไม่มีสติแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ตัวที่ถูกลืมนะะลูกก็ถูกลืมไปด้วย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 ไม่ใช่เพราะความโกลวอย่างเดียวนะที่ความความโรคตัณหาราคะทำให้หน้ามืดนะก็ทำให้ลืมตัวได้แล้วทำให้ทำอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเราหน้ามืดด้วยเหตุหลายอย่างเช่นเห็นเห็นเงินเห็นทองเห็นของมีค่าวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครเห็น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 รู้ทานความรู้สึกนึกคิดซึ่งมันจะทำให้เกิดความรู้ตัวและการจรวสติที่พาทำเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อคมเขียนท่านพูดจำอยู่เสมอคือเห็นหยับหยับเป็นแค่เห็นอย่างเดียวไม่เป็นเห็นนี่มันมีรษนางการออกมาดู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 กำลังคิดฟงสร้างไม่เข้าไปในความคิดนั้นไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์หลดทั้งเวทนาเวทนาความรู้สึกเ่นปวดเมื่อยถ้าเห็นเวทนานีมันไม่เข้าไปในความปวดความเมื่อยนะ่มันก็เห็นว่าเออเป็นขานะที่ปวดเมื่อยแต่ว่ามันจะไม่เข้าไปเป็น เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมีความโกรธความกลัวความเศร้าเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับใจแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้เศร้าผู้โกรธผู้เสียใจจะเป็นกับเห็นนี่มันต่างกันมากถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตามมาด้อาการดินด้นดิ้นดิ้นผหยักได้ หรือดิ้นเพราะอยากผลักสออกไปจิตความทุกข์เนี่ยโดยพราะความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่จิตเนี่ยมันดิน้นดิ้นเพราะอยากจะได้มาไว้ในครอบครองเพื่อจะได้เสพ อ, อารมณ์ที่พึงปรารถนาได้นานๆหรือยิ่งกว่าเดิมหรือดิ้นเพราะอยากจะผลักออกไป ความทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะตรงนี้นะจิตมันดิน้นได้ยินเสียงเสียงอาจะไม่มีอะไรแต่พอจิตมันดิน้นมันแบบมันอยากจะผลักออกไปทุกข์เกิดขึ้นทันทีเกิดความหงุดหงิดแล้วก็ปุุงแต่งต่อไปทำไมเขาเขาไม่ปิดเสียงทำไมเขาไม่ดับเครื่องริ่งเขาไม่ทำอะไรกับเสียงนั้น ก็ยิ่งเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจทั้งหมดที้เกิดขึ้นจิตใจทั้งนั้นแล้วเกิดขึ้นพอใจไม่ใช่เพราะเสียงเท่าไหร่เสียงนั้นเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักก็คือใจที่มันดิ้นใจที่มันผักใส่ย่างก็อย่างที่เราสวดเป็นคาถาเมื่อสักครู่นะครับ ท, ทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสูส่สําเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายนี้ก็รวมถึงความสุขและความทุกข์ด้วย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 ดิ้นอยากจะได้บางทีไม่ใช่แค่ใจดิ้นนะตัวก็ดิ้นด้วยอย่างเราเห็นอย่างลูกนะลายของเราพอเขาอยากได้ขนมอยากได้ของอะไรเราไม่ให้เราก็ดิ้นเนี่ยดิ้นพลาดพลาดพาดพอันนั้นแหละเขากําลังแสดงทําให้เราเห็นนะว่าความทุกข์มันเกิดจากจิตที่มันดิ้นให้ความอยากได้ทําให้ลืมตัวแล้วก็เลยแสถ า, าการอย่างนั้นออกไป เพียงแค่เรามีสติเห็นจิตที่มันดิ้นดิ้นเพราะอยากได้หรือดิ้นเพราะอยากผักสายก็แล้วแต่เพียงแค่เห็นเท่านั้นเนี่ยจิงก็กลับคืนสู่ความปกติได้แต่ถ้าไม่เห็นไม่มีสตินะมันก็เข้าไปร่วมดิ้นกับเขาด้วยก็เลยทุกข์ใหญ่หลวงพ่อไม่ว่าจะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมเขียนก็อสอนว่าเวลาดูก่ ให้รู้เฉยเฉยูเฉยเรู้ซื่อซือไม่ต้องไปดิ้นกับมันอะไรเกิดขึ้นแม้อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไม่ต้องไปผลักมันเห็นความกลรธเกิดขึ้นเห็นความกลัวเห็นความอไเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปผลักใส่มันไม่ต้องไปต่อต้านมันแค่รู้เฉยเฉยใจเป็นกลางันสร้างปฏิบัติใหม่นี่เฉยไม่เป็นนะ จิตมันดิ้นดิ้นอยากจะผลักความโกรธออกไปดิ้นดิ้นอยากจะกดขมความหงุดหงิดนึกในใจว่านักปฏิบัติโกรธไม่ได้นักปฏิบัติต้องสงบสํารวมต้องไม่โลภต้องไม่อิจฉาแต่พอมีความโกรธความอิจฉาความว้าวุ่นเกิดขึ้ น, นก็พยายามกดมันเข้าไปพอคีวันเนี่ยจะทาให้จิตสงบได้หรือทำให้เราเนี่ยเป็นคนดี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 ไม่ว่าด้วยอาการใดก็ตามไม่ว่าลักษณะใดก็ตามเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดูเฉยเฉยความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็ลองดูเฉยเฉยไม่ต้องดิ้นเพื่อจะไปกดข่มมันหรือไปนั่งหรือไปคิดว่าเมื่อไหร่จะปัญญาเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะสวดมนต์เสร็จสักทีจะได้ยืดแข้งยืดขาอันนี้ก็ดิน้นอีกแบบ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 ก้าวหน้าแล้วเดี๋ยวเกิดความหลงแม้กระทั่งว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นพระนิพนธ์เป็นพระอริเาารยเจ้าแล้วปัญญามันพลั่งพรูออกมาก็ให้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นอผู้บรรลุอะไรทั้งสิน้นแค่เห็นเฉยเฉยพอจะเป็นเมื่อไหร่นั่นก็คือถูกมันหลอกแล้ว มันหลอกทําให้เนิ่นช้าเพรา ะ, ะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกสอนย้ําว่าให้เห็นอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอย่างเดียวไม่ไม่เป็นไม่ว่าบวกหรือลบให้หลังนี้ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเลยสุดท้ายคือจนกระทั่งพ้นทุกเห็นแจ้งในสัจธรรมให้จับหลักนี้ให้ได้นะแล้วก็ทําให้แคล้วทําทให้คล่องทําให้ชํนนานาญรู้ทัน ตัวการที่มันจะล่อให้เราเป็นนั้นถ้าเรารู้ทันมันเราก็ไม่เข้าไปเป็นง่ายๆก็จะเห็นเห็นตะพฤตะพือนตอนนั้นแหละเป็นหลักที่สำคัญมากของการปฏิบัติอ่าเราชา้นี้กับร่นนนี้นะ